เราทําบุญนี่นะคะหลวงพ่อคะเราเราใส่บาตด้วยอะไรคะคือคืออย่างสมมติว่าเราใส่บาตรด้วยอะไรไปเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับกลับมาเนี่ยก็จะเป็นสิ่งนั้นอันนี้จริงหรือเปล่าคะหลวงพ่อโคจรหงพอ่ออยงนี้ต้องรู้คําว่าบุญก่อนค่ะบุญคือความสุขเจตนาห้างพิ ก, กเวกามังหะธรรมนี้แต่ตามใส่บาตเนี่ยต้องรู้การทําบุญ เช่นจะใช้บาด้าวยถวายพระตาหารอะไรก็ตามนะเจตนาแล้วต้องได้ทันั้นบุญคือความสุขแต่หากว่าทําโดยเสียไม่ได้เนี่ยไม่เดืพนเนอพนทาโดยที่ตามเข้าไปไม่เด็ออนุโมทนาอะไรไม่มีศรัทธาตอนทําบุญต้องมีศรัทธามีความเชื่อมีความเมตตาใจมีความพอใจในการทําบุญด้วยเจตนาหั่งพิกเเวกมังวดทางถึงจะได้สมมุติว่า ฝากคนอื่นไปนะฮะ ท, ทั้งที่ใจเราเนี่ยอยากจะไปแต่เราไปไม่ได้นะฮะแล้วก็เราก็ฝากเงินไปทําบุญอย่างเงี้ยตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยเราได้ไหมคะได้ร้อเเ็นได้ไม่จําเป็นต้องกล่าวว่าฝากเขาอะไรนะโยมดวงตาเนะี่ยแค่ตั้งใจจะทอดกระถิง่งแต่อยู่ไม่ถึงตายไปยังไปสวรรค์เจตนาเป็นตัวกรรมจากการกระทํำของตนได้เนี่วยถ้าสมมติว่าเราทําบุญนี่นะคะแล้วก็อุทิศนกุศลอให้กับ ผู้ตายเนี่ยนะคะไม่ทราบว่าเขาจะได้รับหรือเปล่าคือมันอย่างมีคุณโยมนะจะขอเจ ร, ริญพรอาธิยายรับหรือไม่ได้รับมีเหตุผลในหลักศาสชนะถ้าเขาตายเป็นเปรตได้รับทุกเวลาถ้าตายเป็นเปรจะชนคือเป็นเปรขอส่วนบุญเนี่ต้องได้แน่แน่นอนอถ้าหาว่าตายไปตกนรกลงโลงกันไม่ได้ทายิ่งฆ่าตัวตายนะไม่ได้เลยนะ ถ้ามีญาตฆ่าตัวตายทาบุญไม่ได้แนะ่ะที่นี่มีหลักฐานอยู่ยันคนที่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายสมมติว่าเราทําบุญให้เท่าไหร่เท่าไหก็ไม่ได้เน่นี่มีหลักฐานแล้วถ้าเกิดตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บแล้วเราทําบุญไปให้ได้ทั้งทั้นแต่ทีนี้เขาเป็นเปรตไหมถ้าเป็นเปรตได้ถ้าเขาไปเกิดบนสวรรค์เขาก็ไม่ได้ของนี้ได้รับอนุมูธนาโอ้โสมมติว่าในกอเป็นญาติของเราตายไปอยู่เป็นเทพปบุตรเป็นเทพธิดาแล้ว เราทำไปเขาได้ข่าวสารอนุโมทนาแต่อาหารนั่นเขารับไม่ได้ไมันจะอาหารของเขาแล้วจะไปถึงคนอื่นๆไหมคะอย่าสมมติว่า เ, เราอุทิศส่วนกุศลแผ่ไปให้กับวิดามาดาอะไรอย่างเงี้ยนะะแล้วก็ตลอดจนผีเปรตวิ ญ, ญญาณไร้ญาติหรือว่าสรพสัตที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายมาด้วยกันที่เราเบียดเบียนเขาเด้วยความตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีเวลาเราพูดอย่างเงี้ยค่ะจะไปถึงไหมคะ ถึงถึงสาหรับเปรตชนคือเปิดได้ใชนั้นมันมาขอทานเนี่ยค่ะเขามุดว่ามาขอทานหน้าบานเนี่ยก็ขอฝากคุณโยมไปประกาศทั่วไปด้วยคขอทานเข้าบานอย่ารังเกียดเลยทําบุญไปเถอะมากน้อยอะไรทําเขาจะปิดหวังเราเป็นคนใจบุญใช่หลวงพ่อแต่ทีนี้เนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าอย่างคุณพ่อเสียไปเนี่ยคุณพ่อไปอยู่ตรงไหนเราก็ไม่ทราบแต่เราก็พยายามทําบุญใส่บาตร ทำสังฆทานไปให้เรื่อยๆอย่างเงี้ยเราจะทราบได้ไงล่ะคะว่าหลวงพ่อท่านได้รับหรือเปล่ายกตัวอย่างถ้าหาว่าคุณพ่อเสียไปเนี่ยไปอยู่เมืองสวรสด์นนะเราทําบุญทุนทานดูเจตนาเราเป็นลูกเนี่ยได้เจ็ดชั่วบรรพุษธเ<ม>ข้าใจเจ็ดชั่วบรรพษทธไหยคือเราชั้นกลางปู่ย่าตายายหนึ่งเราชั้นกลางรองไปสามลูกหลานเหรียญถึงหมดมไมันจะออกชื่อเลย เขาอยู่ในภพใดอะไรที่จะควรจะรับทานาทักษิณาทานได้ได้รับทั้งนั้นแต่หากว่าตระกูลของเราเนี่ยจะเป็นญาติจะเป็นพี่ก็ตามน้องก็ตามถ้าผูกคอนตายค่าตัวตายไม่ต้องทำํำแต่ทําไมจะทําได้มีวิธีเดียวนั่งเจริญวิปัสสนาเท่านั้นเขาจึงได้รับบุญมีตัวอย่างเยอะ ถ้าใส่บาทหรือว่าทําบุญไปให้เนี่ยไม่มีทางที่จะได้รับสําหรับคนที่ค่าตัวตายด้วยวิธีใดก็ได้ที่นี่มีมาเข้าฝันออแล้วก็ตาเหลียงห้วยค่ะเก๊กที่เชื่อแน่ถ้างข่าไปไปเข้าคนไทยช่วยเผามีหลักฐานเยายเผาพูดเก๊กไม่เป็นเป็นคนไทยนุ่งผ้าจุงเวงแต่ทําไมส่งภาษาจีงกลางได้เนี่ยแล้วบอกว่าสั่งมาอาตมาไปอยู่ที่ผีเข้าบอกว่าสั่งไปบอกหลานสาวด้วยไม่ต้องทําบุญให้ไม่ถึง แล้วอยู่ทุกวันเนี่ยกินข้าวในกองขยะที่นอนกับผู้เสียช้าวผู้เสียช้าหนึ่งเสุดพระบอกได้เลยชื่อหลง้งหมศจาไหวา้ไว้กลางพรมนครผู้คอนตายไปห้าหกสิบปี<อ>ก็ไปอยู่ก็ตแต่งหวยมีแน่นอนที่สุดเชื่อธรรมาเชื่อมหม่นปร์เ็ก็คือเยเผาพูดเจ๊กไม่เป็ด<อ>แต่ทําไมส่งประชาจีนบางด่าอพอผีออกแล้วเที่อปึ้นก็ยังไม่รู้เลยัยงไม่รู้อะนี่เหตุผล<อ>เหตุผลค่ะ แล้วก็เวลาเราใส่บาตรนะคะหรือว่าเวลาที่ก่อนที่เราจะทําบุญเนี่ยเราควรจะอธิษฐานว่าอย่างไรดีคะอ๋อเวลาจะทําบุญตักบาตรไม่ต้องอธิษฐานอะไรมากแล้วนะเราจะให้ทานใช่ไหมเราจะตักบาตรใช่ไหมค่ะตักบาตรแล้วเราต้องยกอธิษฐานก่อนโยมเคยใส่บาตรว่าอย่างไงฮะดูฮะดูก็ ขออุทิศส่วนกุศลนี้ที่ส่วนบุญที่ได้ทำวันนี้เนี่ยนะฮะให้กับคุณพ่อชื่อนั้นชื่อนี้แล้วก็ตลอดจนบรรพุผลผู้ผผผ้องรับไปแล้วตลอดจนกระทั่งผู้ที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายมาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสัรพสัตหรือว่าใครก็แล้วแต่แล้วก็เทพที่คุ้มครองตัวอยู่แม่พระโพสศพแม่พระธรณีแม่ พ, พ, มพาาระคงค่ะ แล้วก็แล้วก็ผีเปรตวิญญาณได้ญาติที่รอส่วนบุญอยู่อะไรอย่างเงี้ยเนาอได้ทุกพูดอย่างเงี้ยได้ได้ภาษาไทยเราเป็นคนไทยค่ะแต่จะเอาภาษาบาลีแกมภาษาไทยก็ว่าสู่ทิงนางวตังเมทานางอาชะวาขยาวหางนิ่พานางหูตู ก, ก็ได้ได้แต่เราเป็นคนไทยข้าพเจ้าขออุทิศสจนกุศลที่ทําณโอกาสนี้ให้แก่คนนั้นคนนี้เราก็ว่าได้ อพูดชื่อไปได้ใช่ไหมคะได้บางคนคืเนี่ยก็งงงเขาเจริญพรค่ะถ้าในเสือสายโลหิตไม่ต้องออกชื่อได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าศัตรูเนี่ยต้องออกชื่อทันทีเราโหสิกรรมมาเขาได้ไหมโหสิกรรมมาเขาได้แล้วศัตรูจะเป็นมิตรเราทันทีอ้แพงเมตตาไปอย่างนั้นค่ะนะถ้าหากว่าญาติของเราเนี่ยสายโลหิตเดียวกันเจ็ดชั่วใบประหลุษเนี่ยไม่ไม่ออกชื่อก็ได้อย่างขนาดลูกหนีไปบวชเนี่ยพ่อแม่มาจะบวชให้ พ่อตายปเป็นนรกยังขึ้นจากนรกได้ลูกของเราต้องได้เออบางคนบอกว่าเอยชื่อไม่ได้ตัวก็เลยงงๆอยู่เออเออชื่อไม่ได้มันตั้งได้ใช่ไหมได้น ะ, ะแต่หากว่าเราไม่เอยชื่อถ้าเป็นญาติแค่บิดามารดาปู่ย่าตายายได้ทั้งนั้นกตหากว่าเอยชื่อเนี่ยกลัวจะลืมก็คือศัตรูแล้วถ้าสมมติว่าเขายังไม่เสียชีวิตไป ยังมีชีวิตอยู่แต่เราอยากให้เขาชีวิตเขาดีขึ้นเนี่ยเราก็เอ่ยชีวิตเขาได้ก็ได้แผ่เมตตาให้เขาอยู่อเมริกาอยู่นะอยู่เย็นไปสกถุกมีตัวอย่างเยอะบางทีเนี่ยเราใส่บาตรทาบุญนะะอย่างน้องสาวหรือแฟนของโยมนะค่ะสมมุตินะสมมติสมมุติอืมสมมติแฟนแปลว่พัดเี้เราแฟนแปลว่าเย็นใจนะโอแปลผิดจะอยู่แห่งโหนกบนใดก็ตามนะเราแผ่ไปปั๊บเขาจะอิ่มทันที เขจะช่องหอนใจว่ะเราให้เขาได้เลยไม่จําเป็นจะต้องตายนะอย่างวิกโก้ปูเนี่ยนเวลาจํากัดวิกโก้ชาวนอร์เวย์มาบวชที่นี่นะหลังเจริญกรรมาสารถามมาโธรลีจิตเนี่ยพ่อแม่เขาอยู่นอร์เวย์แม่เขากําลังป่วยหนักพ่อเขาเป็นวิศวกรไฟฟ้าในนอร์เวย์ปูเป็นผ่าคณิตศาสตร์ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยออสโตรเลอและทีนี้ก็แผ่ไม่ตาไป แต่ปู่เนี่ยเขาบอกกับลูกอหลานเขาว่ามามาอยู่ประเทศไทยโปรดเอาของดีประเทศไทยมาฝากปู่เลยเขาก็ตีความว่าต้องบวช<อ>บวชอยู่นี่ห้าสิบกว่าวันสามารถโทริจิตได้<อ>เขามาถามมาตมาเลยนะถามว่าไงดูไหมหลวงพ่อครับผมเห็นอย่างงานสอบเนี่ยเห็นก็กรวดน้ํากันนักอยากจะกราบเรียนถามว่าพ่อแม่ยังไม่ช่วิอยู่เนี่ยอุทิศให้จะได้ไหมได้ลองรีได้เลยลองวิธัยไหนที่ลองได้เร็วมากก็คือนั่งกรรมมาถาม นางจะเริ่มวิปัสสนาจะไปเร็วมากขอขอประทานโทษซื่อีกนิดหนึ่งทานไม่มีศีลเหมือนสินค้าไปเรือพายถ้ามีศีลเหมือนสินค้าไปรถยนต์เข้าใจคานี้มไหมถ้ามีภาวนาเหมือนสินค้าเราไปเครื่องบินไอพ่นด้วยจัมโบ้ด้วยก็ถือว่าถ้าใครทําไม่ได้ในขั้นสูงก็เริ่มจากขั้นต่ําไปขั้นต่ำไปก่อนทานชีะภาวนานี่นะทําไปก่อนบุพีกถาภาลนาทานไม่ตา แต่วิกก็เนี่ยแม่กําลังปูอยู่เด็กเขากำลังคุยกันดูซิที่ ส, ส, สงสอนถึงเดี๋ยวนี้เลยอถึงยังไงปูก็นั่งอยู่ือแล้วเข า, ม า, า, ขาไม่รู้ว่าลูกชายเขาบวชนะไม่รู้ลูกชายเขบวดแล้วแม่เนี่ยมีลูกชายคนเดียวนอนพักฟื้นอยู่ในห้องแล้วก็นั่งวันนั้นเป็นวันชาติในโรเวอตามาจําวันที่ไม่ได้ที่นี่กลางคืนที่นนกลางวันนะคนละโลกคนละเหลี่ยมแต่วนั่งอยู่ปั๊บเห็นผ้าเหลืองลอยมาเลย เรียกว่าวิโก้ปลุ้นแล้วก็เรียกพร้อมกับอะไรทั้งเพื่อนของวิโก้เลยแม่อยู่ในห้องเดียยินเสียงลูกชายว่าเรียกลู ก, ลกวิโก้เว้นออกมาหาจากโรกภัยนั่ดี<อ>แล้วมีจดหมายเลยแม่เป็นผู้เขียนเองมีมาถึงที่มหาวิทยาลัยจุฬาจุฬามหาวิทยาเรียนอยู่ที่นี่อสอนศาบตริญญาโทด้วยเขาก็ส่งมาที่วัดนี่บอกว่าลูกหลานเขาเนี่ยบวชใช่ไหมมีพระเหลืองลมาที่บิบานเขา นี่อุทิศได้ไแล้วแม่หายจากวันหายคืนนี่อุทิศได้มีหลักฐานด้วยเขาจะเป็นพอรนอยออย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือเรื่องกรวดน้ำเนี่ยค่ะก็ก็มีหลายคนนะฮะสงสัยว่าบางทีเราทําบุญไปแล้วเนี่ยแล้วบางทีลืมลืมกรวดน้ําจะเป็นอะไรไหมหรือหมายความว่าจะต้องกรวดน้ําทุกครั้งที่ทําบุญหรือเปล่าคะไอ้กรวดน้ำนี่เป็นสาทิราพิธี โยมต้องฟังให้าใจตรวจน้ํานะนี่สารพิธีใช่ลับล่างมือขวาจับบนนี่คนไทยชาวพุทธตวจน้ามันเป็นเอามือไปอุทธร์ทำไมแล้วแถมมือรองมันไปแถวหมดเอาเอานี่ไปจี้จี้หลังไม่ต่อต่อไม่ได้มันไม่สวยได้แต่มันไม่สวยออค่ะก็เราไม่ไม่ต่อไปจี้เรามานมมือจะสวยกว่าตรวจน้ํานี่คือน้ําใจเทเลยอุทกขวารีเหนือปัตตภีโดนเตจนาธบุญ แถวไปเลยอ้าวตรงนี้ขอฝากไปด้วยแล้วที่บอกว่าให้ผีสับปีให้คนนั่นใชหมพอยะถาเนี่ก็เริ่มลินน้ำใช่ไหมคะวงที่สองแล้วแล้วต้องแบบลินให้พอดีพอค่อยคอลินตายหรือให้หมดก็ยังได้จนกระทั่งสินคำพระกล่าวว่าไม่จำเป็นไม่จําเป็นไม่จำเป็นตรงอายุวันโนสุขังพลังหรอกเพราะอะไรอยู่ไหมยะถาเนี่ยให้ผีสัพปีให้คนบาที่สับปีแล้วยังจะไปลินน้ําแล้วก็เอามือมารองก็ไปแถวเลย สัตพศสัตว์าทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เป็นหลักแต่โดยวิธีปฏิบัติแล้วเพียงแต่นึกในใจคนใชนะ <Okay. S 2> ข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญ น, นี้ให้แก่ใครแลส ะ, ระสัปสัตว์ทั้งหลายอยู่ทั่วไปจะเป็นเทพข้เจ้าเจ้า ก, กรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามีเวรมีกรรมต่อกันก็แผ่ด้วยการอ้โหสิกรรมไม่มีเวรมีกรรมต่อก oh. นันชนะการอย่าไปจองเวรกรรมมาต่อไปก็แผ่ได้ค่ะห okay. ลวงพ่อคะเรนะาเอาที่กรวดน้ำมา ให้หลวงพ่ให้ดูวิธีที่ถูกต้องเวลาพระยับถาเนี่ยมือใช้จับนี่มือขวาจับนี่ให้มันสวยงามหน่อยเนะนี่ยเนี่ยเทปไปอย่างเงี้ยเนี่ยเทปไปอย่างเงี้ยแล้วเอามือไปอุดทํายอุดทํายบางคนไม่ได้อุดนะแต่บางคนแบบแค่แบบให้น้าไหลไหลไปอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มือมาลองกัน พอเสร็จแล้วเอาไปกิงกันระวังไปโลกเอไออะไรการเนี่ยเทไปเลยเนี่ยอพอพระองค์ที่สองสับพีใช่ไหมพอเริ่มสัพพีปุ๊บก็เทหมดเลยว่าสับพีเป็นของมนุษย์อืเป็นของสครที่ยังอยู่ยัดถาให้ผีสับเพีให้ถอนคนพอสับเพียสับเพียละเทละเทละแล้วจับไปเป็นแถวเลยเอามือแยกันด้วยเอามือแยกันด้วยน่าเกลียดพี่เลือถ้าอาบเทปหมืออาบอะไรจาร ออกไปออกทีวีอายต่างประเทศเขาต <c oughs> อหลังเขายังแพรได้กว น, นน้าเป็นดูในหลวงให้ไหมไเจะอยู่หัว <c oughs> เวลาใครจะไปนอกเทเลยเทเลยมีเอาเอาเ อ, าอานี้อุดไหมเอาพระหัตอุดไหมไ ม, ไม่มีเลยเทเลยเ <c oughs> ทเลยทเลยทเลยอย่างงั้นจถะค่ะอันนี้ก็คงจะเป็นคำถามสุดท้ายนะคะหลวงพ่อสำหรับวันนี้นะคะได้ยินคนเขาพูดกันมามากว่าก่อน ที่คนเราจะตายเนี่ยนะคะอารมณ์เนี่ยอารมณ์วูบสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยคือถ้าเผื่อว่าไม่เคยทำบุญมาเลยแล้วแต่ว่าในวินาทีสุดท้ายก่อนสิ้นใจนึกถึงพระถึงเจ้าเนี่ยก็สามารถขึ้นสวรรค์ไดนน้จริงเหรอคะจริงคืออย่างนี้จิตแต่สังอริเถ ท, ทุกติงสุกติงปาจิจังขาในมาจิตเข้าสู่ภาวะแห่งความดีแล้วจิตจะไปที่นันก่อน ที่แบบจะตายลำล่ออยู่แล้วอย่างเงี้ยนั่นจะตายอันเนี้ยทำตัวดีสมมุติว่ามันเจ็บปวดอยู่อมันก็ดูว่ามันปวดกําลังจะตายแลยอะไรอย่างเงี้ยมีหลักอยู่ว่ากระซิบบอกเบาๆฟังเขาสอนคนอื่นชีวิตมาเกิดมาไม่ถ้าวรอย่ามอนอนหลงเล่นไม่เป็นการไฟสามกองปองเผาเสมอเยเล่เร่ชวนกรรมะานนานาเวลาจะตายมีญาติมิตรบอกให้คิดถึงพระลาหังรู้ยาสิสุขคุณพระพุทธทางเพราะกําลังเวทนาทุกตาเอ่ยจิตเสียหมด ไม่ได้ฝึกไว้งตายไปอจิตมันเสียก็ไปในโลกก่อนถ้าหากว่ายอมดวงตาคิดจะไปต่างประเทศคิดอยู่เสมอพอดวงวิญญาณออกมันจะต้องไปต่างประเทศก่อนแล้วค่อยเข้ามาเมืองไทยเรื่องจริงไม่งั้นใ น, ในวิโรธคือเอาวิญญาณมาแรงงานตัวที่วัดนี้ได้ยังไงรถชนตายที่เชียงรายนี่ตั้งใจจะมาอยู่วัดอัมพวันก็ม า, า, มาจริงจร<ๆ>ิงก่อ น, นแล้วเขาลูบทีนี้ เท่าที่ฟังหลวงพ่อพูดมาก็คือหมายความว่าเราซึ่งเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยกระซิบข้างหูเขาให้ได้ยินเขาจะนิยมว่าอย่างนี้คนเนี้ยไม่รู้สึกอ่ะ<ฆ>ทําไมจะรู้เนาะ<ฆ>ก็ไม่ชาว่าเขาจะรู้หรือไม่รู้สติดีหรือเปล่าก็ไม่ชาบ<ฆ>เขาจะนิยมจุดทูอเอาควันไว้จะได้ได้กลิ่นไปก็จะรู้ว่าเออพุโทโธทำโมสังโฆนิพึงพระไว้นะแล้วก็นึกถึงบุญกุศลที่ทำไว้จะได้ไปเป็นบุญไปกุศล<ฆ><ฆ>อย่าไปนึกถึงบาป การนึกถึงบาปไปทางอากุศลแต่จิตใจก็เล่นล่างไปทางบาปที่ต้องทำไว้จึงมีความสำคัญมากสมมุติว่าไปกระซิบข้างหูไม่ได้แต่ว่าในขณะที่เข้าเสียเนี่ยนะคอมีพัพุทรูปอยู่ในมือจับไว้หรืออะไรไว้เนี่ยเข้าจะไปดไีได้ได่นอนนสมัยโบราณพุทธการมาจนมายุคใหม่ไม่เคยใช้ไปตายโรงพยาบาลหมด คนเนี่ยรู้เนี่ยเขาจะรู้ว่าจะไปนะขอพูดสักหน่อยคเตรียมไถเสื้อใส่ผ้าเชี่ยเอาโนโอนออกก็มีออกตายพอดีเลยแล้วคิดว่าจะเอาไปได้เอาไปได้ที่ไหนเล่าเอาไปไม่ได้มีเรื่องเล่าเยอะแต่ไม่ไมเล่าในขณะนี้กำลังมีเรื่องเล่าเยอะแล้วเวลาคนจะตายเนี่ยเขาจะให้สงบเขาจะทำซองทูปเทียนมาใส่มือไว้อันนี้ชิงพระไว้พุโทโธพุโทพโธตรมโมทั้งโคว่าไป แล้วก็คนไข่คนจะตายก็ละมลึกถึงบุตโธแล้วก็ถึงพระไ<ต>ด้ดีได้เดี๋ยวนี้ไม่มีทูบสองหรอกตายของอาจะอยู่นั่นสิหาถ้าเป็นในกรณีอย่างนั้นนะเขาไม่มี อ, อ่ะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาไม่ชา<ก>แต่แว่าถ้าไม่ใช้จะทำไงวิธีแก่ต้องฝึกตั้งแต่ก่อนฝึกจิตให้มันถึงเวลานมัต้องไปเอาทูบเทียนมาใส่มือแล้วจิตมันถึงธรรมะแล้วถ้าหากมาสมายัยโบราณเขาไม่ค่อยได้ฝึกกัน คนแก่คนเฒ่ากลัวจะเสียสติก็จึงทํำซองหมากซองเขาเรียกว่าซองดอกไมก้จุกเทียนใส่ในมือแล้วก็พุโทโธพุโทโธแล้วไม่ถึงพระพุทธเจ้านะโยมนะแล้วไม่ถึงอย่างนั้นงแล้วเขาจะนิยมพระมาต่อนามเวลาคนจะซึมใจเนีสวดต่อน้ำคือขันห้าลูกนามไปอารมณ์คือช้อนกรรมมาทานให้เรียกว่าต่อน้ำเริยนพรอย่างนี้เงินต้อง กราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะคะพร้อมทั้งกราบนมัต ก, การลาได้ค่ะค่ะท่านชมคะอดีต น, นะคะก็เป็นความฝันปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความจริงนะคะอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเลยเวลาก็เหลือน้อยแล้วนะคะอยากจะให้ท่านชมใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีค่ามากที่สุดทรัพย์สมบัติสลิงคานต่างๆนำติดตัวไปด้วยไม่ได้นะคะ แต่ว่าบุญบาปเนี่ยสามารถติดตัวไปได้คิดได้แล้วก็รีบทำบุญเข้านะคะทำบุญทำกุศลกันดีกว่าคะ่ะวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ